ทุกคนขอให้พากันเพ่งพิจารณาดูเวลานี้แหละมันปกติก็อย่าประมาทอย่าไปเข้าใจว่ามันจะไม่แปรผันต่อไปมันก็จะแปรผันไปไม่ไม่ต้องสงสัยหรอกเพราะฉะนั้นผู้ที่ มีความเพียนเพ่งพินิษดูอัตภาพร่างกายนี้เสมอเสมอแล้วมันจึงเป็นเหตุให้ถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาลงไปได้ มันจะค่อยเบาบางไปความยึดมั่นในร่างกายอันนี้นะเมื่อมันพิจารณาบ่อยๆเข้าขเขาจะเจ้าสอนให้พิจารณาให้มากเมื่อพิจารณาไปรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยอ่อนใจลงไปแล้วก็หยุดหยุดพิจารณาก็ส ง, งบอยู่นิ่งอยู่ พร้อมด้วยสติสมบัตชัญญีประคับประคองจิตที่มันหยุดนิ่งอยู่นั่นไว้ไม่ให้มันปงแต่งเลยไปทางอื่นเรียวกว่าพักจิตนี่ธรรมดาผู้มีความเพียร น, นะเหมือนอย่างคนทำการงานภายนอกนี่แหละทำไปทำไปพอเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดพักพอมีแรงแล้วก็ลุกขึ้นทำงานต่อ การปฏิบัติทางจิตใจก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าหากว่านั่งอยู่มันไม่ไหวสังขารร่างกายมันแรปรปวนอย่างนี้แล้วก็เดินพิจารณาบ้างเดินไปเดินมาพิจารณาอยู่ขณะเดินอยู่นั้นก็ได้ อันนี้บางทีก็ยืนกำหนดพิจารณานี่ถ้าหากว่าใช้อริยบทยืนหรือว่าเดินนั้นร่างกายนี้มันค่อยยังชั่วหน่อยมันไม่หบไม่ปวดแรงเช่นนี้นะก็ต้องเปลี่ยนอิริยบทไม่ใช่ว่าจะไปบังคับ เต่อร่างกายนี้ให้นั่งอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ธรรมของจริงได้หรือสามารถทำใจให้สงบได้ถ้าอีริยะบทอื่นแล้วใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ดอกอีริยะบทใดก็ได้ทางนั้นแหละข้อสำคัญอยู่ที่สติเมื่อมีสติสัมปชัญญะ กำหนดรู้กายรู้ใจอันนี้อยู่ควบคุมใจนี่ไม่ให้มันคิดตรงตายไปทางอื่นให้มันกําหนดรู้อยู่แต่กายแต่ใจอันนี้มันก็ได้ผลแหละเมื่อเดินไปก็ได้ผลยืนอยู่ก็ได้ผลนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีมันก็ได้ผลทางนั้นแหละมัน ทำให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นอันภาวนาแบบนี้นะอาศัยสมถะคือทำความสงบใจนั้นพอประมาณไม่ไม่ถึงก็ได้บรรลุทานมเมื่อใจตั้งมั่นลงไปพอสมควรแล้วก็จเจริญปัญญาต่อ เมื่อเจริญปัญญาไปพอสมควรแล้วก็สงบจิตปล่อยวางความคิดความเห็นต่างเหล่านั้นไว้ก่อนมาสงบจิตทำรวมจิตลงให้เป็นหนึ่งไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็พิจารณาต่ออย่างนี้การปฏิบัติมัน โดยอาศัยสมาธิเพียงขั้นอุปจารสมาธินี่หละเป็นพื้นฐานของปัญญาแต่ถ้าหากว่าจะไปภาวนาเอาให้ได้ฌานสมาบัตแปดซะก่อนแล้วจึงจะเจริญปัญญานั่นเห็นว่าเหลือวิสัยซะแล้วสำหรับในสมัยนี้ พคนมีวาสนาบารมีมันมันน้อยไปไม่ถึงก็ว่าที่จะภาวนาให้บรรลุทานสมาบัตเหมือนอย่างข้างพระพุทธเจ้านั่นได้หากถ้ามีก็จะมีน้อยเต็มทีแต่ส่วนใหญ่แล้วทำไม่ได้นี่ให้เข้าใจแต่ถึงว่าทา สมาธ่ทำฌานให้เกิดไม่ได้ก็ไม่ขัดข้องอะไรขอให้ทำใจให้สงบพอสมควรแล้วอย่างนี้แล้วก็เจริญปัญญาต่อไปเลยพิจรารณาไอ้ผู้ที่มีจิตใจสงบพอประมาณอย่างนี้การเจริญปัญญามันก็พอประมาณ จะไปเจริญไปมากๆจะไปคิดพิจารณาให้ละเอียดแล้ว อ, อไปอย่างพิสดารกว่วงขวางมันก็ไปไม่ได้พิจารณาลงพอจะแก้ไขอุปสรรคของดวงจิตนี่ได้ก็เป็นดีแล้วอุบายอันใดที่จะเป็นไปเพื่อให้จิตมันคลายความยึดความถือ ในานามในรูปนี่ก็หาอุบายอันนั้นมาสอนใจเข้าไปในเมื่อเรามีสติประคองขีดให้ตั้งมั่นอยู่ได้แล้วน ะ, ะหาอุบายมาสอนจิดนี่ให้มันเห็นทุกข์ให้มันเห็นโทษขอความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้แต่ส่วนมากมันไม่เห็นโทษนะ มันไม่เห็นโทษของความยึดมั่นถือมันในขันหานี้มันเห็นเป็นบางครัง้งบางคราวแต่บางคราวมันก็หลงไปเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามให้มันรู้มากกว่ามันหลงนี่การปฏิบัติมันต้องให้หวางแนวไว้อย่างนั้น เราจะว่าพยายามบังคับไม่ให้มันหลงเสียเลยนั่นมันไม่ได้ในเมื่ออริยมรรยังไม่รวมกําลังกันเป็นหนึ่งลงไปเมื่อใดยังสามยังไม่สามารถละสังโยชน์ได้แล้วก็มันยังมีหลงอยู่ในเรื่องนั้นเนชะ่นอย่างว่า พระโสดาบันนี่ท่านละจากกายยสิธิความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้อย่างนี้นะท่านละได้ด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเมื่อละแล้วมันไม่กลับหลงอีกพิจารณาเวลาใดก็เห็นแจ้งอยู่อย่างนั้นแต่สำหรับผู้ที่ยัง ความเพนอริยมรคนนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สามารถจะละสังโยช น, นั้นได้ขาดเช่นนี้นี่มันย่อมมีรู้แล้วก็มีหลงสหลับกันไปก่อนคราวใดมีสติมีสมาธิอยู่ในใจคราวนั้นก็จะไม่หลงคราวใดเผลอสติสมาธิไม่ตั้งมั่นคราวนั้นแหละจะเผลอไป เพลอสําคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนไปเป็นอางั้นเอาถ้าเพลอไปก็ไม่ท้อถอยก็ตั้งสติไม่ตั้งความเพียนลงเพ่งจิตที่เข้าไปให้มันถึงให้ให้มันสงบลงตามเดิมของมันที่เราเคยทําให้มันสงบมาอย่างไร ก็พยายามโน้มใจนี่ลงให้มันสงบลงถึงที่ที่ที่เดิมมัน mm hmm. เมื่อจิตสงบลงที่เดิมมันพอสมควรแล้วก็พิจารณาต่อเพียร mm hmm. พยายามเพ่งพิจารณาอยู่อย่างนั้นเนี่ย mm hmm. mm hmm. อย่าไปย่อท่อบางคนน่ไปท้อใจ เอ็บางคราวจิตใจมันถอนจากสมาธิมันวุ่นวายขึ้นมาอา้าวความเพียรก็ น, น้อยลงอย่างนี้มันก็ท้อใจแหละถ้ารู้ว่าตนเผลอสติจิตใจคุ้งซ่านเช่นนี้เราก็ไม่ต้องท้อใจเออก็รู้ตัวเลยว่านี่เรามันประมาทเผลอสติไปจิตใจมันถึงคุ้งซ่านอย่างนี้ เอาละเราจะตั้งสติใหม่หัวนี้จะทำความเพียรฝึกสติมันเข้มแข็งขึ้นเพื่อให้จิตนี้มันสงบลงกอนึกอย่างนี้แล้วก็ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเมื่อจับลมหายใจเข้าออกนี้ได้แล้วมันก็กรู้อก็รู้จิตตัวเอง ตสติมันก็จะยังเข้าไปถึงจิตได้ไปควบคุมจิตให้นิ่งให้ตั้งมั่นลงไปเหมือนเดิมอย่างนี้อะไรถึงเรียกว่าผู้มีความเพียรผู้ไม่ท้อถอยผู้ที่เห็นว่ามันยุ่งยากแล้วท้อใจเสียไม่ทำความเพียรมีแต่ปล่อยใจให้เพินไปตามเรื่องให้เสืออย่างนี้ผู้นั้นคือว่าเป็นผู้ ไม่มีความเพียรเรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เข้าใจมันก็เป็นธรรมดาเละการทำความเพ่าเพียรพยายามละกิเลสตัณหาอุปาทานเหล่านี้นี่มันก็ยุ่งยากแหละจะไม่ให้ยากไม่ได้แต่มันก็จำต้องทำถ้าไม่ทำกิเลสมันก็ไม่หมดไปจากดวงจิตนี่ เมื่อกิเลสมันไม่หมดไปกิเลสมันก็จะพาก่อพบก่อชาติขึ้นมาแล้วก็จะมาถูกชะลาพยาธิมรณะบีบคั้นเอาอยู่อย่างนี้แหละแล้วจะถูกความโศกเศร้าเสียใจีิลัท พ, พ่ไรลำพันต่างคลอกํำจิตใจนี้ไปมันถ้าเป็นมาอยู่เนี่ยในวัฏตสรตรงสารอันนี้นะสำหรับบุคคลผู้ ยังหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสนี้ไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างว่านี่แหละชีวิตนะดังนั้นทุกคนให้พิจารณาถึงแม้ว่าผู้นั้นแหละจะมีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไม่เบียดเบียนอยู่ในระยะในวัยหนุม่มหรือวัยกลางคนนี่พอถึงวัยแก่มาแล้วอย่าไปสงสัยว่ามันจะเที่ยงอย่างยืนไปอย่างนั้น พอธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้านี่เมื่ออาศัยมันมานมนานเข้าไปใช้สอยมันเข้าไปอย่างนี้มันก็สึกหลอได้เหมือนกันเพราะองค์เปรียบเทียบอัจิภาพร่างกายนี่เหมือนกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆท่านจึงกล่าวว่าสริระยนตสริระยนนี่ ร่างกายนี่นี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งอ <Ừ. S 2> ธรรมดาเครื่องยนต์นี่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆก็เกิดสนิมไม่ใช้ก็ไม่ดี <Ừ. S 2> เอาถ้าใช่มากๆเข้าไปเครื่องก็หลวมก็ไม่มีกําลังบางทีเครื่องได้เครื่องหนึ่งกเสียลงเมื่อเครื่องได้เสียลงแล้วเครื่องอื่นก็หยุดไปใช้การไม่ได้ ร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเหล่านี้ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งมันวิบัติลงไปแล้วส่วนอื่นมันก็ใช้งานไม่ได้ ม, มันเป็นอย่างนั้นมันเนื่องกันจึงต้องอาศัยการบาบัดการรักษาด้วยยุกยาต่างๆ แต่ถ้าหากว่ามันหมดบุญหมดวาสนาลงจริงจะรักษาอย่างไรมันก็ไม่ได้ผลเลยเรียกว่าบุญเก่านั้นมันล่อยหล อ, อลงไปแล้วมันจวนจะหมดอยู่เราไมาลอลอแล้วอย่างนี้มันจะมาเยียวยารักษากันยังไงก็ไม่ไหวนี่มันต้องเรียนรู้ไว้เหตุปัจจัยของชีวิตของอัตภาพร่างกายอันนี้มันก็เหมือนเครื่องยนต์ ก, นกลไก เคื่องยนต์ถ้าใช้ไปมากมันหลวมแล้วอย่างนี้แม้ช่างซ่อมมันก็ซ่อมไม่ไหวมันก็ต้องทิ้งเป็นอย่างนั้นอันนี้ร่างกายคนเราก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อซ่อมแต่ไม่ไหวแล้วก็ต้องทิ้งเลยต้องทิ้งเพราะฉะนั้นให้กันภาวนาให้มันรู้เมื่อมันรู้อย่างว่านี่แหละ มันก็เป็นเหตุให้ละอุปท า, านความยึดมั่นถือมันว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไปเรื่อยๆแต่เมื่อมันรู้ทัดอย่างว่านี้นะเพราะว่ามันเห็นนี่เห็นว่าร่างกายนี้มันบังคับไม่ได้อถ้าถ้ามันเป็นของเราจริงๆเนี่ยมันเราก็มีอํานาจที่จะบังคับมันได้อื แต่นี่เมื่อมันบังคับมันไม่ได้อย่างนี้นะยังี่ไปโมเมถือเอาเป็นของเราอยู่อย่างนี้นะมันจะได้ยังไงแล้วอนี้มันไม่ได้เันอย่างนี้นี่ระศาสดาสรงสอนมากทีเดียวธรรมะในพระพุทธศาสนานี่เมื่อไรตกรวจ ด, ดูในหนังสือพระไกรปิฎกนั้นส่วนมากก็สอนอย่างนี้แหละ ธรรมเทศนากันใดก็ต้องสอนอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นก็เพราะความจริงมันมีอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะสอนอยังไงต่อไปอจิตมันคล้องอยู่ในขันห้านี้ ม, มันยังปรงยังวางไม่ได้ดังนั้นธรรมเทศนาของพระติจ้าจึง พระองค์จึงนำโอปามัยโอปามาต่างๆมาเปรียบเทียบให้ฟังให้ผู้ฟังได้รู้ว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของตอนจริงๆไม่ควรที่จะมาหวงเห็นไว้ไม่ควรที่จะเศร้าโศกเสียใจเมื่อเวลามันวิบัติแปรปรวนไปแต่ความมุ่งหมายของพระเจ้าแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทก็มีอย่างนี้เลย เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงนี่ผู้ที่ไม่รู้แจ้งในขันห้านี่ตามเป็นจริงแล้วเมื่อเวลาขันห้านี่มันวิบาับแปรปรวนไปก็เศร้าโศกเสียใจทั้งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายอีกด้วยในอย่างนี้มันมีทุกคนไปแหละสําหรับผู้ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงเนี่ยอไม่มากก็น้อยทีเดียวคนที่มีกําลังเรียวแรงดีเอมันก็หลง หลงความเป็นหนุ่มเป็นสาวว่าตนนั้นจกไม่แก่ไม่ตายง่ายจิตใจก็เลยหึกเหิมเพิดเพินไปอย่างนี้เลยแล้วทางที่จะละอุปทานความยึดมั่นในขันห้านี่ห่างไกลกันลือเกินถ้าปล่อยใจให้เพลินไปอย่างว่านั้นไอความเห็นสำคัญว่า ยังหนุ่มยังแน่นยังกําลังวังชาดีอยู่เมื่อเมื่อสําคัญอย่างนั้นเนี่ยตัญหามันก็กำเริบขึ้นในใจมันก็อยากได้อะไรต่ออะไรใครเขามีอะไรก็อยากได้กับเขาไปแล้ววันนี้นะอ่าเอาเห็นคนเขามีรถเล่นคีไปเห็นเขาแล้วก็โอ้อยากได้เหลือเกินนะรถนี่เหรอ ถ้าเราได้ลดเม้นสักครั้ห taking, half, นึ่งว่าขี่เห็นเส็ดสบายดีสะดวกดีนั่นแหละมันลืมกายลืมสังขารอันนี้แล้วมันจึงได้เกิดความอยากขึ้นนานาประการไม่เฉพาะแต่ลดเบ้นแหละอย่างอื่นๆมันก็อยากไปหมดถ้าหากว่าไม่ห้ามไว้นาคิตนี่นะความอยากไม่ไม่มีสิ้นสุดจริงๆะ ในอย่างนี้นี่นับว่าเป็นสิ่งที่ควรใ่ใจให้มากควรพากันเพ่งเพ่งพินิจารณาผู้ที่ได้มาปฏิญญาตนถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ ล, ลึกแล้วก็ไม่ควรประมาทควรจะพากันปรับปรุงจิตใจของตนให้เข้าถึงพุทธศาสนาจริงๆหัวใจของพุทธศาสนา ก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วแหละหนึ่งเพียรพยายามละควมชั่วออกจากตัวสองเพียรพยายามทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สามภากเพียรพยายามชําระใจที่เศร้าหมองขุนมัวอยู่ด้วยอุปกิเลตต่างๆนี่ให้เบาบางออกไปจากดวงขิตนี้จนกว่ามันจะหมดจะสิ้น นี่เป็นความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาเพื่อ เ, เจ้าทุกพระองค์ที่มาตัดสรู้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะปล่อยใจของตนให้เห็นผิดออกไปจากคำสอนโดยย่อสามประการนี้ถ้าผู้ใดจำกัดความเห็นอยู่ในสามประการนี้ได้ผู้นั้นก็จะมีความภาคเพียรพยายาม พิจารณาตัวเองว่ากิเลสหรือว่าบาปกรทําอันใดที่มันยังหมักหมมอยู่ในจิตใจตัวเองเนี่ยเมื่อรู้ว่ากิเลสอย่างนี้มันหมักหมมมันแทรกซึมอยู่ในจิตใจนี่เขาจะเพียรละมันไปเลยแบบนีนนน้จะไม่เลี้ยงมันไวจะไม่เลี้ยงกิเลสบาปประทอันนั้นไว้ในใจ ธรรมดาอยู่เองนะคนเราเมื่อละทั่วแล้วมันก็ทำดีไปไปพร้อมกันเลยอย่างนั้น <c oughs> เมื่อละความเห็นผิดไปได้ความเห็นถูกมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะ <c oughs> เช่นละความเห็นผิดที่เห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีอย่างนี้น ะ, ะเมื่อละความเห็นอย่างว่าอันี้ได้แล้ว มันก็ต้องเห็นว่าบุญมีบาปมีแต่ว่าบุญและบาปนั่นมันเกิดขึ้นจากการกระทําถ้าไม่ลงมือกระทําอันใดแล้วอันนั้นไม่เกิดขึ้นอืมเห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเห็นถูกอืบาปอย่างนี้นะถ้าว่าเราไม่คิดทํามันแล้วมันจะมันจะเกิดได้อย่างไรอ่ะอืแต่นั่นที่คนเราเนะ่ยมันสะสมเชื่อของบาปไว้ในใจมานมนานแล้ว สะสมความโลภไว้ในใจอมามากแล้วเนี่ยแหละความโลภอันนี้แหละมันมันบันดาลให้คนทำบาปสะสมความโกรธมาไว้ในใจความโกรธนี่แหละมันทำให้คนเราทำบาปสะสมความหลงความไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกนี่นะนี่แหละสะสมความไม่รู้อย่างว่านี่ไว้ในใจนะ มันก็เป็นเหตุให้คนเราทำบาปได้เพราะมไม่รู้ว่ามันเป็นบาปมันก็ทำบาปได้อย่างนี้แหละนี่เราต้องมาคำนึงถึงมูลเหตุของบาปกรรมเหล่านี้จิตใจมันได้สะสมมานมนานหลายชาติหลายภพแล้วอย่าพากันิ่งนอนใจต้องภาวนาเพ่งจิตนี้เข้าไปมันจะรู้ว่ากิเลสอะไรมันมีอยู่ในใจนั้น เมื่อเราเพ่งอยู่ภายในนี้แล้วมันรู้อะจะไปให้คนอื่นมารู้ให้มาบอกให้ว่าคุณนะมีกิเลสอย่างนั้นอยู่ในใจอย่างนี้ใน ใ, นใจไม่มีใครจะไปกล้าพูดอย่างนั้นได้หรอกไม่มีนั่นแหละมีแต่ตัวเองเท่านั้นแหละพิจารณาเห็นกิเลสภายในใจของตัวเองเมื่อเห็นชัดลงไปอย่างนั้นแล้วมันก็เพียนละมันเท่านั้นเองไม่เลี้ยงเอามันไว้ อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อละความโลภลงไปไอความไม่โลภความถือสันโดษยินดีตามมีตามได้มันก็เกิดขึ้นแทนบุคคลนั้นเมื่อตอนมียังไงก็ยินดีบริโภคอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ทําบาปไม่ได้เบียดเบียนใครอออย่างนี้แหละเมื่อละความโกรธออกไปจากคิดใจเช่นนี้มันก็มีความเอ็นดูกรุณา ในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาแทนความโกรธความเกลียดความอิจฉาลิถิยาท้งต่างนั้นมันก็ดับไปความเมตตากรุณามันก็เกิดขึ้นมาแทนเมื่อคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาแทนแล้วก็ไม่เบียดไม่ได้เบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดเป็นอย่างนั้นเมื่อละความหลงออกไปความเห็นผิดเป็นชอบดังกล่าวมาแล้วนั้นดับไปจากดวงจิตนี้ ความรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงคุณโทษมีจริงข้อปฏิบัติใช่ถึงสวรรค์ถักใช่ถึงซึ่งผลิพานนั้นมีจริงอถ้าไม่ถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแนะนําสั่งสอนไว้เลยเพราะพระองค์ได้ตรัสรู้แช้งแทงตลอดแล้วอย่างนี้นะมาเชื่อเพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะไอความหลงเข้าใจผิดที่ว่ามันก็ระ ง, งับไป ความรู้ความเห็นถูกต้องอย่างว่าต้อเกิดขึ้นมาแทนเมื่อความเห็นนีมันเกิดขึ้นมาแทนแล้วมันก็ลงมือทำกั น, นะบะนัดนี้ถ้าบาปยังมีอยู่ในหัวใจอย่างไรก็เพียนละมันไปเลยบัดนี้ถ้าความดีอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็เพียนไม่ยามทำเราจะพาะความเห็นที่ว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนนี่มันสำคัญมากเมื่อบุคคลมีใจตั้งมั่นแล้ว ก็อสอนใจตัวเองให้เห็นทอดแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่เลื่อยไปทีเดียวไม่ใช่ว่าสอนครั้งเดียวแล้วมันเล้อวไปเลยมันไม่แล้วหรอกสอนไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยๆมันหักละไปทีละน้อยละน้อยไปไอธรรมดาผู้ที่มีอินทรียังไม่แก่กล้าเต็มที่ก็เป็นอย่างนั้นแหละให้พากันเข้าใจ อย่าไปนึกถึงว่าท่านผู้มีอินทร์บา ร, รมีแก่กล้าแล้วนั่นท่านฟังเทศเท้พระเถรเจ้าเจ้ลงท่านก็สามารถละอุปทานเสียได้หรือว่าท่านไปปฏิบัติลงมือปฏิบัติตามไม่นานเท่าไรก็หลุดพ้นไปได้อันนั้นนั่นมันเพราะว่าท่านได้ฝึกตนมาเต็มที่แล้วอนั้นนะได้สะสมบุญบา ร, รมีมาแก่กล้าทุนบริบูรณ์แล้ว เพราะฉะนั้นทำความเพียรไปไม่ลำบากเท่าไหรนะักก็หลุดพ้นไปได้อันนี้ผู้ที่ทำความเพียรมันยากลำบากนี่แสดงว่าอินทรียังไม่แก่กล้าดังนั้นเราจึงต้องทำความเพียรเรื่อยไปต้องอดต้องทนสู้กับกิเลสทันหาเรื่อยไปเนี่เมื่อเราสู้ไปไม่ถอยอินทรีย์บารมีมันก็แก่กล้าขึ้นโดยลำดับไป แล้วกิเลสตัญหามันก็เบาไปอย่างนี้แหละถ้าหากว่าชีวิต บ, บรรลัยจะไปเสียก่อนไม่สามารถจะทำอินทรีย์ให้เต็มบริบูรณ์ได้ในชาตินี้ก็เป็นอนว่าเราได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเต็มความสามารถสามารถบรนเทากิเลสตัญหาให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจนี่ ได้มากพอสมควรแล้วก็เอาละไม่ต้องเสียใจตายก็ตายอย่างนี้มันก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าติดตามไปเมื่อได้ฟังคําสอนของพุะเถรเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วอย่างนี้ก็สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้โดยรวดเร็วอย่างพุทธศาสนิกชนในครั้งพุทเถรเจ้านั่นแหละมีอยู่เป็นจํานวนมากทีเดียวเพราะท่านเหล่านั้นได้ฝึกตนมาเต็มที่ ตั้งแต่อดีตชาติถนหลังนี่เพราะฉะนั้นเมื่อได้ทราบอย่างนี้แล้วเพิ่งพากันตั้งอยู่ในอััมมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประมาททำความเพียรพยายามสอนใจของตนไปตามอุบายธรรมะที่แนะนำสั่งสอนมานี่ก็จะบรรลุผลตามความมุ่งหมายดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้